เพราะแกแท้เลยนะแต่ถ้าอะไรที่นํามาซึ่งความสบายใจข้าพเจ้าเองเนี่ยนะยิ้มแย้รับหน้าชื่นตาบานเลยภ พ, พ, พนั้นมีกรรมและผลแห่งกรรมเป็นลักษณะกรรมภพนะคือเจตนากับผลของกรรมเป็นลักษณะลักษณะของเขาคือเป็นกรรมและเป็นผลของกรรมมีการเกิดคืออุปาติภพให้เกิดคือกรรมภพเป็นกิจ งานของเขาคือนำเกิดแล้วก็ความเกิดมีกุศลและอกุศลเป็นอยตามีกุศลอกุศลอพยกะตะเป็นอาการปรากฏผลที่ออกมาก็คือเนี่ยกุศลอกุศลหมายถึงอะไรกรรมภพอัพยกตาคืออุปาติภพนะนะอภยคตะคืออุปัติภพมีอุปาทานเป็นเหตุใกล้ เพราะความยึดถือนั่นแลลวทำให้ทำกรรมทำให้ได้รับวิบากชาติมีการเกิดก่อนในภพ น, น, นั้นเป็นลักษณะเรียกว่าปฏิสนธิครั้งแรกในภพนั้นนนันเรียกว่าชาตนนิเสนอตัวไปเกิดที่ไหนก่อ น, อ น, น, นการเสนอเสนอตัวในภพต่างๆนั่นแหละเรียกว่าชาติแหวบขึ้นมาแล้วแวบไปอีกทีหนึ่งอยู่ในคันอย่ไงเนะ น, นอนได้แปดเก้าเดือน มนุษย์นะมันเป็นอะมนุษย์แหลอะอมนุษย์เช่นเนราชาญเป็นต้นเนี่ยนะพรไม่กี่เดือนนะะ <c oughs> มีการขยายออกไปเป็นกิจเนี่ยนะขยายอะไร <c oughs> ขยายไปหาชร า, าสิมีการเกิดในภพนี้จากอดีตแต่ภพเป็นอาการปรากฏแสดงว่าที่มาเกิดภพนี้แสดงว่าตายแล้วจากชาติที่แล้วะนะ <c oughs> จุติจึงมาปฏิสนธิ <c oughs> แปล ว, ว่าเคลื่อนจากอดีตมาสู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาการปรากฏ แล้วก็ซักเคลื่อนจากปัจจุบันก็ไลไปหาอนาคตแล้วในการเกิดขึ้นครัง้งแรกณนั้นนั้นน่ะณที่นั้นๆน่ะเรียกว่าชาติมีความวิจิตแห่งทุกข์เป็นเหตุใกล้อนะมันวิจิตแห่งทุกเป็นวิจิตยังไงวิจิตแปลว่าพิสดารก็ได้ใช่มีอะไรมัง่งพอเกิดมาแล้วนะทุกที่อย่างลงสู่คันทุกเพราะอยู่ในคันทุกเพราะการบริหารคัน ทุกเพราะคันวิบัติทุกที่เกิดจากการคลอดจากคันทุกเพราะหลังจากคลอดมาแล้วก็ทุกอย่างปัจจุบันนี่แหละแต่หลายคนก็มีบุญก็บอกเขาไม่เห็นทุกอะไรเลยเพ <c oughs> ราะงั้นชรามีความแกงงอมแห่งขันเป็นลักษณะแกงงอมเลยนะเป็นยังไงบ้างผมก็ไล่ทีละทีละอย่างนะ <c oughs> ผมเมื่อก่อนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ เล็บก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้หนังก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้สวดทรงก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเริ่มไปเรื่อยนั่นแหละชาราแ ล, ล้วล่ะชารามันทํางานเต็มที่แล้วละ่ะงั้นใครเห็นปั๊บตอนแรกก็สวัสดีน้องไงตอนหลังก็สวัสดีพี่แล้วก็ป้าเครื่องตาแหน่งไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนั่นแหละสแสดงว่าชรามากแล้วมีการนําเข้าไปหาความตายเป็นกิจเนี่ยนะชราเท่าไหร่ก็บอกอายุเท่าไหร่แล้วตอนหลังไม่ค่อยอยากตอบเลยเนาะ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 ก็เลยเหลือแต่หนุ่มน้อยสาวน้อย yeah, yeah. อนะความเป็นหนุ่มเหลือน้อยเต็มทีอย่างเงี้ยนะเรื่องเานความสาวก็เหลือน้อยเต็มทีเนี่ยนะ yeah, yeah. <laughs> ต่อไปมรณะมีจุติเป็นลักษณะมรณะแปลว่าเคลื่อนนะจุติแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งนะ <Yeah. S 1> มีการพลาดพราดเป็นกิจ พลาดเลยนะพลาดจากบุตรจากภรรยาจากทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองจากทุกอย่างหมดเลยจากแล้วเขาเรียกว่าจากจากแบบถึงกลับมาอีกก็ไม่ยอมรับมัน <c oughs> <c oughs> จากจริงๆเลยนะ <c oughs> สมมุตินะเอา้าถ้าหากว่าเราบอกว่าสแสวงหาอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วเคลื่อนไปแล้วไปตายที่ตระกูลอื่นแล้วกลับมาใหม่นะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมรับวา <c oughs> จากแล้วจากเลยนะฉันไม่ยอมรับแกอีกต่อไปเลยนะ แล้วจากแล้ววันหลังมาบอกว่าเด็กคนเนี้มาบอกว่าฉันเป็นพ่อแม่ของเธอนะรับไหมคุณพ่อสวัสดีข้าอย่างนี้หรืป่าคุณแม่สวัสดีข้าไหมันจากแล้วจากเลยท่านเรียกว่าพลัดพรากเป็นกิจอะจากแล้วจากเลยเนี่ยนะถึงเจอกันใหม่ก็ไม่ยอมรับแล้วเถอจากแล้วจากเลยมีคติวิปวาทเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะคติวิปวาทนี่าหมายความว่า คติวิปภาวะเนี่ยวิปภาวะนี่แปลว่าปร า, าศวาสานี่แปลว่าการอยู่วิแปละว่าเคลื่อนจากไปคือจากคติเนี่ยนะเช่นว่าจากคติจากมนุษสคติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะเคลื่อนจากมนุษสคติเรียบร้อยแล้วเคลื่อนจากเทวคติเนี่ยนะเคลื่อนจากคตินั่นแหละะฉนั้นมีการอยู่ปราศจากคติเนี่ยมาจากบาลีว่าคติวิปวาวะ แปลว่าเคลื่อนจากคติออกไปเช่นเคลื่อนจากมนุษย์เคลื่อนจากเทวดาเคลื่อนจากพรหมนี่แหละนะภาษาไทยเขามาแปลไม่ได้ก็เลยไปเอาแปลบาลีดีกว่าสนุกดีคติวิปวาวิแปลว่าเคลื่อนจากคติเนี่ยนะโสกะมีความหม่นไหมในภายในเป็นลักษณะหม่นไหมกับตรอมตรมเหมือนกันถ้าหม่นหมนนี่แปลว่าไม่ใสเลยใช่ไหมหม่นด้วยไหมด้วยนี่เกรียมเลยนะ เคยปิ้งปลาบาแล้วลืมไหมนะหรือทอดจนไหม้หมดนึ่งมีความตรอมตรมใจเป็นกิจตรอมตรมตรมตรมแปลว่าหนักใจมากเลยใช่ไหมมีอะไรเนาะทาให้ใจนี่ตรมตรอมขนาดนั้นแสดงว่าวัตถุที่ทำให้ตรมขนาดนั้นแสดงว่าวัตถุนั้นนี่รักมากเลยนาะมีความเศร้าโศกถึงเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะ แปลภาษาไทยว่าลราห้อยหาคิดอยู่นั่นแหละนี่นะถ้าเขาอยู่นะถ้ามีนะก็รำพึงอยู่นั่นแหละปริเทวะมีความบ่นเพิ่เป็นลักษณะบ่นเพิ่มแล้วว่ายัางไงพูดแล้วพูดอีกอนะย้ำอยู่นั่นแหละวันหนึ่งตั้งห้าพันรอบอย่างเงี้ยนะลูกเอ้ยลูกเอ้ยเป็นต้นเนี่ยล่ะลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนก็พูดอย่างนั้นน่ะอันนี้เร้ยว่าบ่นเพิ่ใช่ไหม บน่นคือจากสิ่งใดแล้วบ่นถึงสิ่งนั้นบ่อยๆหรือเคยมีสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นไม่มีพูดแล้วพูดอีกเ็าเรียกว่าปริเทวะและบ่นถึงอยู่นั่นแหละมีระบุถึงคุณและโทษเป็นกิจ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 แต่พวกแสดงละครเอาอย่างอื่นก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่พูดถึงหน้าที่นี้มีการสลดใจเป็นอาการปรากฏก็คือสังเวชใจเหลือเกินเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะตอนนี้เหลือแต่โลงศพเหลือแต่เหลือแต่หลุมฝังศพเป็นตอนก็เลยหมยสังเวทเหลือเกินส่วนทุกทุกมีการบีบคั้นกายเป็นลักษณะ น, นเจ็บปวดมากปวดหัวปวดฟันตัวร้อ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นไข้เป็นหวัดเป็นอะไรก็ว่าไปแล้วบีบคั้นมากบีบตรง น, น, นั้นเนี่ยนะ บีซะเมื่อยหมดเลยนะเงเรืองเนาะมีความทุรพลทางกายและก็รั้งเอาโทมนัสเป็นกิจอัน น, นสุขภาพก่อใหม่ดีอ่อนเปลี้ยงหมดเรี่ยวหมดแรงเนี่ยนะแล้วก็ฮ่า็รว่าเก็บได้แต่ความน้อยเนื้อต่ำใจมาแล้วใช่ไหกายก็ลำบากแล้วก็หนักใจอีกต่างหากเพราะฉะนั้นยิ่งป่วยมากก็ยิ่งหนักใจเพิ่มขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้น นะก็เลยรั้งเอาแต่ความเสียใจมาเนี่ยเนยะถ้าฉันสุขภาพดีกว่านี้นะนี่เป็นอย่างนี้หรอกไงล่นะกระบจนนะฮะเขาคิดจนเศร้าอะ่ะเคยเคยสังเกตดูเคยไปเยี่ยมคนไข้ไหมลนะ่ะปวดกายแล้วก็พูดเพื่อจะได้สบายพูดเพื่อจะลําบากใจเนี่ยนะพูดยิ่งพูดยิ่งลําบากใจ น, นะป่วยทางกายแล้วก็ดึงดึงรั้งเอาความป่วยทางใจเข้ามาอีกมีการอาภาษทางกายเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะก็ สุขอ า, าพาธทางกายก็แล้วแต่ว่าโรคอะไรก็ตามสมควรกับสิ่งนั้นไปส่วนโทมานต์มีการบีบคั้นจิตเป็นลักษณะเนี่ยนะมันบีบใจซะจนอะไรเคยเสียใจไหมนั่นแหละใจนี่ถูกบีบมีความคับแค้นใจเป็นกิจมีพยาที่ความเจ็บป่วยทางใจเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะไข้ใจได้เกิดขึ้นแล้วอันะก็เลยเป็นความไข้าทางจิตใจเป็นความอ า, าพาธทางจิตใจขึ้น ส่วนอุปายาตมีความตรอมใจเป็นลักษณะตรอมใจเฉาไปหมดเลยนะมีความทอดถอนถึงเป็นกิจได้แต่หายใจเฮือก น, นะนะเขาบอกว่าใครที่อยู่ๆแล้วก็หายใจหนักๆหลายๆครั้งนี่แสดงว่าโรคทางจิตได้กำเริบพอสมควรแล้วแหละจะอยู่ก็เฮ้อแล้วก็อีกพักหนึ่งก็เฮ้ออีกแล้วอย่างเงแสดงว่าหนักมากแล้วหายอยู่ค้ายาหรือพักผ่อนได้แล้วเนี่ยนะ มีการปราศจากความเชื่มชื่นใจเป็นอาการปรากฏเนแสดงว่าเหมือนกับบัวเริ่มแรงน้ําเลยใช่ไหมต้นไม้ที่ขาดน้ํารดอ่ะนะมันก็ไม่มีความสดชื่นเลยทางจิตใจเนยนะเรียกว่ากินก็กินก็อย่งางนั้นอย่งางนั้นแหละนอนก็อย่งางนั้นอย่งางนั้นแหละก็มีแต่ความเหี่ยวเฉาไปเรื่อยสรุปว่าธรรม ะ, ะปัจจยธรรมมียวิชาเป็นต้นอั น, นวิชาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นามรูปโดยลัคณาที่จตุกะก็ดังที่กล่าวไปแล้ว นะก็บอกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นต้นเนี่ยชีวิตที่เป็นไปในวัตต์เนี่ยมีอวิชชาเป็นปัจจัยไม่ใช่เกิดจากพระเจ้าสร้างขึ้นเนี่ยนะอวิชชาสังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะที่ไหลไปนในวัตต์ใครมาสร้างให้เราสมมติว่าโสกปริเทวะมาจากไหนก็มาจากชาติชาติมาจากไหนก็มาจากพพเป็นต้นสิ่งนี้ใครมาสร้างให้เพราะปัจจัยธรรม เป็นไปปัจจยุปนธธรรมเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุและตามปัจจัยเกวรสะไม่ปะตนหรือล้วนล้วนทุขขันตระแปลว่าความประชมแห่งกองทุกล้วนล้วนนี้ไม่ใช่การประชมของสัตว์ไม่ใช่ประชมของชีวะนนะไม่ใช่ประชมของอัตตาที่ไหนหรอกมีแต่ขันธาตุอายตนะที่ไหลไปสืบเนื่องไปในความเป็นเหตุและ เป็นผลเชื่อมโยงกันอย่างนี้พันวัตตทุกทั้งหลายก็เกิดด้วยประการอย่างนี้มีอวิชาเป็นปัจจัยเป็นต้นส่วนพระองค์พิจารณาปฏิจจสมุปบาทแล้วพระองค์อุทานว่าเป็นยังไงสงสัยเป็นกลางคืนนั่นแหะนี่ตัต่อเวลาให้ตั้งเกือบ10นาทีช่วงบ่ายนี้ก็คงใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับหลายท่านที่กลัวไม่ได้มาเนี่ยนะมาก็อยากให้อุทิศส่วนกุศลตั้งความปรารถนาพร้อมกันก่อนเนาะ เชิญพรเผื่อตอนเย็นไม่ได้มาหนังสือเล่มบทสวดมนต์นั่นนะเชิญพรบทสเสริญพระรัตนตรัยหน้า 40, 43่กับหน้าสิเนี่ยนะนะอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันเลยด้วยกุศลที่ได้เจริญร่วมกันเนี่ยนะก็ขอให้เราทั้งหลายได้แทงตลอดปฏิจจสมุปาท ได้ซาบซึ้งเห็นอริยสัจต่างพระพุทธเจ้าทั่วกันใอุทิศส่วนกุศลเลยนะ